เป็นเดือนมืดแรม15ค้ค่ำอากาศกำลังเย็นสบายเสียงนาฬิกาบอกเวลา12ครั้งพระภิกษุวัยกลางคนกำลังพักผ่อนในอิริยาบถครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนเก้าอีา้ผ้าใบหน้ากุฏิหลังจากที่นั่งปฏิบัติสมถะวิปัสสนามาตั้งแต่เวลาสามทุ่มเพิ่งจะออกจากสมาธิก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้วัดศรีเทพฝ่ายธรรมยุตยามนี้อยู่ในความสงบ เงียบวังเวงจนน่ากลัวเพลานั้นสายลมก็พัดมาเอื่อยๆกลับพัดรุนแรงขึ้นจนต้นไม้ใหญ่ที่อยู่หน้ากุฏิไหวเอ็นไปมาแปลกอยู่ที่ว่าที่อื่นกลับไม่มีความเคลื่อนไหวเกิดอะไรขึ้นกันแน่พระภิกษุไวกลางคนถามกับตัวเองเพื่อความไม่ประมาทพระภิกษุไวกลางคนจึงเปลี่ยนอริยบทเป็นนั่งแล้วก็จ้องมองต้นไม้ใหญ่พร้อมกับเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้ ดวงไฟประหลาดปรากฏขึ้นเหนือยอดไม้ที่ถูกลมลึกลับกันโชคไหวไปทางต้นเมื่อสักครู่ดวงไฟดังกล่าวหมุนเร็วจนเกิดเสียงดังขึ้นค่ะ แล้วก็ดวงไฟดังกล่าวเนี่ยกำลังพุ่งตรงเข้าหารร่างของภิกษุวัยกลางคนหรือจะเป็นคุณสที่มีผู้มาปล่อยใส่ตัวเองเพราะว่าเคยเดินสายเทศนาให้กับประชาชนผู้ที่เป็นพุทธบริษัทเลิกนับถือผีหันมานับถือไตรสรณคมแทนจนทำให้บรรดาแม่มดหมอผีร่างทรงขาดรายได้ไปตามๆกันก็เลยคิดย้อนรอยกลับมาทาร้ายด้วยคุณสพระภิกษุท่านนี้ก็เลยรวบรวมจิตเข้าสู่ฌานแบบรวดเร็วค่ะ ดวงไฟประหลาดพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็ ว, รวพระภิกษุไวกลางคนกำหนดจิตให้พระพุทธคุณพระธรรมคุณแล้วก็พระสังฆคุณเป็นกำแพงแก้วป้องกันภยัยดวงไฟประหลาดคล้ายกับวิ่งชนอะไรสักอย่างหนึ่งแตกกระจายเหมือนใครเอาแก้วบางๆมาคว่างใส่ผนังจากนั้นก็รวมตัวกันเป็นหมอกควันลอยขึ้นมาจากพื้นค่ะมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์ จากหมอกควันก็จับตัวกันจนกลายเป็นแสงทึบนะคะแล้วก็มองเห็นด้วยตาเนื้ออย่างชัดเจนเป็นร่างกายกำยำท่อนบนเปล่าเปลือยท่านล่างนุ่งผ้าหยากรั้งมีผ้าคาดทับเอวในมือถือดาบปลายตัดสันหนาคมขาวปล่าเลยนะคะผมหยิกติดหนังศีรษะ คิ้วหนาดวงตากลมโตถลนเลือกไปมาเป็นประกายสีแดงดุดสีทับทิมพร้อมกับริมฝีปากที่หนาเตอะแล้วก็กำลังสียยิ้มให้ด้วยความโกรธที่ต้องกระแทกกับกำแพงแก้วที่มองไม่เห็นเข้าให้อย่างจังแสงสีเขียวสีเดียวกับดวงไฟที่พวยพุ่งออกมาจากร่างของชายร่างกำยำตั้งแต่ศีรษะจดดตายเท้าพระภิกษุวกลางคนลุกขึ้นยืนแล้วก็นึกในใจว่าแค่นี้ไม่ทาให้เกิดความกลัวได้หรอก ยิ่งกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วในขณะที่ออกเดินทุดงกลับเข้าไปข้างในดีกว่าไปรู้ดีรู้ชั่วกันในห้องสุดมนทาสมาธิลุกขึ้นเดินมุ่งหน้าไปยังกุฏิที่หับประตูไว้พร้อมกับเปิดประตูออกก้าวข้ามธรณีประตูเข้าไปภายในก่อนที่จะปิดประตูลั่นดานคลองผ้าผ้าสังคาติเต็มยศนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางประตูกุฏิเตรียมรับมือกับชายแปลกหน้าด้านนอกกุฏิค่ะก็มีสายลมกันโชคจนกุฏิโยก รู้สึกได้ถึงแรงลมที่ประทะอย่างรุนแรงกิ่งไม้หลังกุฏิถูกลมพัดจนกวาดหลังคาเสียงดังสนั่นวันไวเหมือนมีมือยักษ์กวาดไปมา ดวงไฟสีเขียวผ่านบานประตูเข้ามาค่ะแตกกระจายอยู่ตรงหน้าพระภิกษุวัยกลางคนกลายเป็นชายแปลกหน้าคนเดิมยืนคำ้ำศีรษะอย่างปราศจากความยำเกรงชี้มือมายังภิกษุเจราขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแต่ว่าไม่กล้าจะเดินเข้ามาหาเพราะว่ายังคงเกรงอํานาจชาญแห่งพระภิกษุไวกลางคนตอนที่ชนกําแพงแก้ว พระภิกษุไวกลางคนส่งเสียงถามด้วยเสียงจากปากไม่ใช้โทรจิตนะคะเพราะว่าร่างที่เห็นอยู่เบื้องหน้าเป็นกายเนื้อชัดเจนก็ถามว่าโยมเป็นใครใครใช้ให้มาข่มขู่อัตมาหรือมาด้วยจุดประสงค์บางอย่างจะด้วยเหตุใดก็ดีจงแจ้งมาให้อัตมาทราบด้วยจักได้ช่วยให้สําเร็จประสงค์เสียงของผู้ชายคนนั้นก็ตอบกลับมานะบอกว่าท่านเคยได้ยินชื่อย ม, มทูตผู้เป็นบริวารแห่งพญาโยมราชเจ้าแห่งนรกภูมิหรือไม่ ข้านี่แหละยมทูตเป็นผู้มีหน้าที่ล่าวิญญาณมนุษย์ผู้ถึงกำหนดสิ้นอายุไข่ประการหนึ่งมาตามจับสัตว์นรกที่แหกนรกหนีขึ้นมาบนโลกมนุษย์อีกประการหนึ่งสัตว์นรกตนนั้นตอนนี้มาอยู่ในปกครองของท่านคืนนี้ถ้าไม่ได้ตัวกลับไปแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่แน่ชายแปลกหน้าส่งเสียงตอบด้วยน้ำเสียงอันแสดงให้เห็นถึงความขัดเคืองที่มีอยู่ในใจนะคะ พระภิกษุวัยกลางคนก็รู้สึกแปลกใจยอยู่ครามครันว่าเอ๊ะชายแปลกหน้าล่วงรู้ถึงตำแหน่งเจ้าอาวาสของท่านมาจากไหนแล้วก็ส่งเสียงพูดกับยมทูตบอกว่าอาตมาเป็นพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้ใดในวัดนี้ไม่เคยมีวี่แววของผีนรกมาหลอกหลอนผู้คนมีแต่พระกับเนนแล้วก็แม่ชีแล้วก็สิทธิวัดเท่านั้นไม่มีใครแปลกปลอมเข้ามาเลยอย่ามาทำเป็นไม่รู้ ก็ท่านทำพิธีบันรพชาให้เองยังจะมาตีหน้าตายบอกไม่รู้เรื่องเมื่อเย็นนี้ท่านยังลงทําวัดเย็นกับสัมมนเนนสุธรรมอยู่เลยอย่ามาอ้างว่าไม่รู้อย่างนี้ฟังไม่ขึ้นพระภิกษุวัยกลางคนผู้เป็นประธานสงฆ์ในวัดศรีเทพรู้สึกไม่พอใจค่ะที่ยมมาทูดมาพูดยอกย้อนเหมือนจะต้อนให้จนมุม อีกทั้งยังถือว่าตัวเองได้รับพระราชทานตําแหน่งพระครูและพระอุปชาจากพระประมุขของราชอาณาจักรสยามผ่านสมเด็จพระสังฆราชก็เลยมีสิทธิที่จะให้การบรรพชาและอุปสมบทแก่กุลบุตรได้ถูกที่หากไม่มีคุณสมบัติที่ขัดกับพระวินัยในการบรรพชาหรือการอุปสมบทที่นี่ก็เป็นโลกมนุษย์หาใช่เป็นยมโลกไม่ก็เลยชี้มือไปยังกรอบรูปที่ใส่ใบแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาแล้วก็กล่าวด้วยน้ําเสียงอันมั่นใจบอกว่า นุ่นใบที่มีพระบรมราชองค์การผ่านสมเด็จพระสังฆราชให้เป็นพระอุปชามีสิทธิจะบันประชาหรืออุปสมบทให้กับกุลบุตรทุกคนที่มีคุณสมบัติไม่ขัดกับพระวินยัยผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกคําบอกว่าไม่รับรู้พระนั่นเป็นอํานาจในโลกมนุษย์แต่ในย ม, มโลกแล้วถือว่าท่านมีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดปกปิดซ่อนสัตว์นรกให้อยู่บนโลกมนุษย์หลวงพ่อก็เลยบอกคําบอกว่าเอาเลยไปฟ้องเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะจังหวัด หากยังไม่สะใจไปฟ้องสมเด็จพระสังฆราชเสียเลยให้รู้แล้วรู้รอดไปผู้ชายคนนี้ก็ตอบบอกว่าถ้า ย, ย่อมเหนือกว่าไม่ว่าใครในโลกมนุษย์ที่ถึงวาระหมดอายุล้วนต้องถูกฆ่าหรือไม่ก็สหายผู้ที่ทำหน้าที่แบบเดียวกับข้ามาคร่าวิญญาณไปไม่มีเว้นแม้แต่ตัวท่านเองท่านบนรรพชาให้สัตว์นรกที่หนีมาเกิดท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ คำว่าท่านจะปฏิเสธความรับผิดชอบมีได้นั้นยมมาทูตแซงสำแดงฤทธิ์ให้เกิดพลังเสียงกึกก้องจนแสบแก้วหูแทบแตกนะคะแต่พระภิกษุไวกลางคนค่ะภาวนาเข้าว่าสีภาพจนเสียงนั้นกลับเป็นเสียงพูดธรรมดากล่าวตอบยมมทูตไปบอกว่าโยมพูดอยู่ยกๆว่ากฎแห่งนรกภูมิจะละเมิดม่ได้มนุษย์โลกก็มีกฎที่ละเมิดมิได้เหมือนกัน ใครก็ตามที่มาเกิดในมนุษย์โลกเป็นชายมีอาการครบ32มีคุณสมบัติไม่ขัดพุทธบัญญัติย่อมสามารถบรรพชาเป็นสัมมเนนหรือบวชเป็นพระภิกษุได้อีกประการหนึ่งยมว่าสัมมเนนสุธรรมเป็นสัตว์นรกนี้มาเกิดตอนนี้เขาอายุได้ถึง16ปีทำไมเพึ่งมาตามละ่ะไม่รอให้แก่ตายซะก่อนละ่ะยมทูตก็ตอบไปค่ะบอกว่าท่านรู้ดีอยู่แก่ใจว่าอะไรเป็นอะไร ไม่รู้เชียวเลยหรือว่าวันเวลาระหว่างย ม, มโลกกับมนุษย์โลกนั้นต่างกาันพอรู้ว่ามีสัตว์นรกหนีออกจากนรกท่านพญายมราชก็ได้มีพระราชบัญชาให้ข้าออกติดตามทันทีพอมาถึงโลกมนุษย์เวลาก็ผ่านไปถึง16ปีมนุษย์ไปซะแล้วพระภิกษุวัยกลางคนตัดบททันทีค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาต่อเลาะต่อเทียงเสียเวลาเปล่าเอาหลักฐานมายืนยันเลยว่าสัตว์นรกผู้นั้นเป็นสามเณรสุธรรมหรือไม่ได้เลยนี่ไงหมายจับ ย ม, มทูตก็ยื่นมือขวาออกไปคล้ายกับยื่นไปคว้าอะไรกลางอากาศเหมือนนักมายากลเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามีกระดาษแผ่นสีเหลืองแผ่นใหญ่มีรูปสามเณรจุธรรมปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแต่ว่าอยู่ในลักษณะเปลือยเปล่าเสียงย ม, มทูตก็กล่าวคาบอกว่าใช่หรือไม่เล่าท่านคราวนี้จะชี้ให้ดูตําหนิที่สําคัญตําหนิแรกปานดําที่ใต้คางตําหนิที่สองปานดําที่รักแร้ขวาปานดําที่สีข้างด้านซ้าย หากท่านไปตรวจดูก็จะพบตําหนินี้ตรงกับไม้จับพอมาถึงตอนนี้ค่ะพระภิกษุวัยกลางคนก็เริ่มประจักษ์แล้วว่าสัมมาณีสุธรรมน่าจะถึงคาดเสียแล้วแต่ด้วยเมตตาธรรมก็เลยเจรจาต่อรองกับโยมทูตเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วโยมจะปล่อยให้เขาบวชเรียนจนอายุถึงวัยชรากุศลดังกล่าวจะช่วยหนุนให้โยมมีความเจริญมากขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ผู้ชายคนนั้นก็ตอบบอกว่าหาได้ไม่ ด้วยสัตว์นรกที่หนีมาเกิดเป็นสัมมณเณรสุธรรมยังมีวิบากกรรมที่จะต้องชดใช้อีกมากมายกฎของเมืองนรกไม่มีการหลีกเลี่ยงแบบข้างๆคู่ๆเหมือนที่มนุษย์นิยมทำกันในมนุษย์โลกอีกทั้งท่านพญาโยมราชได้ส่งมีพระราชบัญชาให้ค่าวิญญาณสัตว์นรกที่มาเกิดเป็นสัมมณเณรสุธรรมกลับไปนรกภูมิในทันทีแล้วทาไมจึงต้องมาต่อความยาวสาวความยืดกับอาตมาให้เสียเวลาไปเปล่าๆ ล, ล่ะ จะฆ่าวิญญาณไปเลยก็ได้แต่ติดอยู่ที่ตัวท่านเป็นเจ้าอาวาดที่ครองผ้าเหลืองอันบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาจึงไม่อาจลุแก่อำนาจจึงต้องมาเจราจากับท่านก่อนแต่ก็นั่นแหละอาจจะมีอะไรล่วงเกินไปบ้างต้องขออภัยต่อท่านบัด น, นี้ได้เวลาจะต้องฆ่าวิญญาณสัตว์นรกเพื่อที่จะกลับไปนรกภูมิแล้วนมัสการลาร่างที่มองเห็นเป็นกายเนื้อของโยมทูตก็พลันละลายหายไปกับอากาศค่ะ เสียงนาฬิกาตีบอกเวลาว่าตีสี่เสียงเคาะประตูกุฏิดังรัวขึ้นตามมาด้วยเสียงเรียกหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมพระมานะครับสัมมเณีสุธรรมมีอาการตรีทูตแล้วขอรับขอให้หลวงพ่อช่วยเมตตาไปดูหน่อยเถอะขอรับหลวงพ่ออกลับไปก่อนอาตมาขอเวลาครองผ้าให้เป็นปริมณฑลก่อนแล้วจะตามไปพระภิกษุวัยกลางคนครองผ้าเรียบร้อยแล้วจึงเดินออกจากกุฏิก่อนจะปิดประตูกุฏิเดินไปยังกุฏิพักของสัมมาณีสุธรรม ภายในกุฏิร่างของสา ม, มเณรสุธรรมนอนเหยียดยาวไม่รู้สึกตัวใบหน้าซีดขาวดวงตาลึกโหลลมหายใจระรวยบางครั้งก็มีอาการติดขัดพระมานะก็เลยกลาบเรียนให้ทราบนะคะบอกว่าสา ม, มเณรสุธรรมฉันพัฒหารเช้าที่ญาติโยมนำมาให้จากบ้านของโยมบิดามารดาขอรับหลังจากฉันเช้าแล้วก็ได้แบ่งไว้ฉันเพลพอฉันเพลงเสร็จประมาณบ่ายสองก็เริ่มมีอาการลงท้องติดต่อกันฉันยาแล้วก็ไม่ดีขึ้น ถ่ายติดต่อกันจนหมดแรงหมดความรู้สึกไปเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนมาถึงตอนนี้อาการตรีทูดเสียแล้วครับหลวงพ่อคำว่าหมดความรู้สึกเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนก็เลยทำให้พระภิกษุไวกลางคนเนี่ยฉุก ค, คิดว่าเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ย ม, มทูดปรากฏตัวต่อหน้าตนเองสามเณรสุธรรมเริ่มหายใจติดขัดถี่ขึ้นค่ะในที่สุด สา ม, มนเณรสุธรรมก็เริ่มหายใจเข้าอย่างเดียวไม่มีหายใจออกสิ้นลมหายใจในเวลาไม่นานนักพระภิกษุวัยกลางคนก็สั่งให้ไปแจ้งทางตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลว่ามีสา ม, มนเณรมรณภาพให้มาชนสุตรศพออกมรณบัตรเพื่อนำศพสา ม, มนเณรไปประกอบพิธีหลังจากแพทย์ชนสุตรศพสามเณรสุธรรมต่อหน้าเจ้าพนักงานตำรวจนะคะก็ลงความเห็นว่าเป็นการมรณภาพแบบปกติก็เลยออกมรณบัตรก่อนพากันกลับไป พระภิกษุวัยกลางคนเป็นประธานในการครองจีวรสา ม, มนเณรสุธรรมจึงสังเกตเห็นตําหนิที่ยมทูตแสดงให้ดูในหมายจับปรากฏว่ามีรอยตําหนิปานดําที่ใต้คางปานดําที่รักแร้ขวากับปานดําที่สีข้างด้านซ้ายตรงกันทุกประการค่ะหลังจากงานชาปนากิจศพสามเณรสุมมนนธรรมผ่านพ้นไปแล้วพระภิกษุไวกลางคนก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับพระเลขาฟังแล้วก็พระเลขาได้จดบันทึกไว้นะคะว่า ผู้ใดที่ได้รับรู้เรื่องนี้จักได้ตระหนักว่านารกภูมิมีจริงยมมทูต ท, ที่มาฆ่าวิญญาณมีจริงพึงเร่งกระทำกุศ ล, ลกรรมตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงตรัสไว้บอกว่าจงยังกิจทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก่อนที่จะได้เผชิญหน้ากับโยมมทูตในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตค่ะ เรียบเรียงเรื่องนี้จากคาบอกเล่าของท่านเจ้าคุณพระเทพสิท ธ, ธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐารามอําเภอเมืองจังหวัดนครพ น, พนมเมื่อครั้งมีสมณศักดิ์เป็นพระครูศิลสัมปันนะคะความเชื่อและความศรัทธาของคนมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแม้แต่ในสังคมปัจจุบันที่มีความเจริญของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาก็ตามแต่ว่าจิตใจของมนุษย์ก็ยังคงมีความเชื่ออยู่กับบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคนในเมืองหลวงที่แสนจะวุ่นวายนั่นคือกรุงเทพมหานครค่ะ สถานีตำรวจนคร บ, บาลปากคลองสานเขตลาดย่ากรุงเทพมหานครเป็นสถานีตำรวจที่คึกคักไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมากแต่ไม่ใช่ด้วยสาเหตุของการกระทำความผิดนะคะหากแต่ว่าเป็นการเข้าไปด้วยพลังศรัทธาซึ่งหมายถึงการเข้าไปเคารพบูชาสถานที่แห่งหนึ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะบันดานให้ความปรารถนาของพวกเขาเป็นจริงขึ้นมาได้ สถานที่ดังกล่าวก็คือศาลพ่อปู่แขกนะคะซึ่งเป็นศาลที่ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพักปากคลองศาลแห่งนี้และสิ่งนี้ที่ประชาชนในแถบนั้นแล้วก็ละแวกใกล้เคียงจะชอบเข้ามาขอพรแล้วก็อธิษฐานให้เป็นจริงพวกเขาเชื่อว่าศาลพ่อปู่แขกเนี่ยขออะไรก็มักจะได้ตามคำขอเสมอความน่าสนใจแล้วก็อาถรรพ์ต่างๆไม่ได้อยู่ตรงที่ขอแล้วจะให้หรือไม่ให้ค่ะ แต่เมื่อขอแล้วได้สมปรารถนาการมาแก้บนเป็นการกระทําที่ตามมาของการแก้บนแบบนี้เรียกว่าความอัศจรรย์ที่มีคําบอกเล่าสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือการห้ามชาวบ้านสักการะบูชาสารพ่อปู่ด้วยดอกไม้สีแดงดอกไม้สีแดงในที่นี้หมายถึงสีของกลีบสีของเกสรหรือแม้แต่ริบบิน้นที่อาจจะเป็นพวงมาลายัย สรุปง่ายๆก็คือจะมีป้ายบอกนะฮะบอกว่าห้ามนำดอกไม้ทุกชนิดที่มีสีแดงไม่ว่าจะเป็นริบบิน้นหรือว่าส่วนประกอบของดอกไม้นะคะที่มีสีแดงขึ้นมาถวายนะคะ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากอาถรรพ์ดอกไม้แดงเป็นที่ทราบกันดีของทั้งตำรวจในโรงพักแล้วก็ชาวบ้านแถบนั้นซึ่งตอนแรกก็ยังไม่มีใครเอะใจอะไรค่ะแต่เมื่อเหตุการณ์ต่างๆเริ่มรุนแรงมากขึ้นก็เลยมีการสงสยัยแล้วก็คิดว่าน่าจะมาจากอาถรรพ์ดอกไม้แดงของศาลพ่อปู่แขกแห่งนี้นะคะ ศาลพ่อปู่แขกแห่งนี้เป็นศาลประจำโรงพักปากคลองศารเลยก็ว่าได้เพราะว่าสร้างมาตั้งแต่การสร้างป้อมปราการริมน้ำปากคลองศารแล้วก็เมื่อสร้างสถานีตำรวจก็สร้างอยู่บริเวณเดียวกันช่วงที่ผมมาอยู่ที่นี่วันไหนถ้ามีคนมาแก้บนพ่อปู่มากๆก็มักจะเกิดเรื่องทุกทีตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหดดตุใดตารวจนายหนึ่งบอกนะคะ บอกว่าวันนั้นเป็นช่วงต้นเดือนผมจำได้มีคนมาสักการะบูชาพ่อปู่ค่อนข้างมากผมเข้าเวรช่วงเช้าพอดีประมาณ9โมงถึง10โมงคนก็ค่อนคอนบางตาผมได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเพลิงไหม้ที่คอนโดใกล้กๆก็เลยไปดูที่เกิดเหตุโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตจะว่าเป็นอุบัติเหตุที่บังเอิญเกิดก็ไม่ใช่เพราะตัวผมเองตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะทุกๆสิ้นเดือนจนมีคนแก่คนเฒ่าทักมาบอกว่ามีใครทำอะไรให้พ่อปู่ไม่พอใจหรือเปล่าอย่างเช่นของสักการะบูชาตั้งแต่นั้นมาก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นของสิ่งโน้นของสิ่งนี้แต่ว่าในที่สุดเราก็ทราบกันว่าเป็นดอกไม้แดง เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนนำดอกไม้สีแดงมาถวายก็ต้องมีความโกลาหลเกิดขึ้นตามมาเหตุการณ์ร้ายที่อยู่ในความทรงจำของตำรวจที่สถานีแห่งนี้ที่ไม่สามารถลบเลือนได้นั่นก็คือวันหนึ่งของปีพุทธศักราช2538เวลาประมาณ9โมงเช้าค่ะซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่จะมาสักการะบูชาสารพ่อปู่แขกเพราะถือว่าเป็นเลขดีเลิกดี จากนั้นตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุนักเรียนกลุ่มหนึ่งนี่ก่อเหตุตีกันตรงท่าน้ํามีนักเรียนชายสองคนนอนเสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณท่าน้ําพบว่าทั้งคู่ยิงกันตายเหตุเพราะแย่งคนรักถัดมาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะก็ได้รับแจ้งเหตุอีกนะคะว่ามีคนโดดตึกลงมาตายร่างกายนี่แหลกเหลวเลยเป็นศพของผู้หญิงอายุประมาณ25ปีคาดว่าเป็นการฆ่าตัวตาย เหตุการณ์วันนั้นค่อนข้างวุ่นวายมากแทบจะไม่มีตำรวจอยู่ในโรงพักเพราะว่าต้องออกพื้นที่เนื่องจากได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมจํานวนนับ10คดีในวันเดียวกันจนในที่สุดเวลาประมาณ13บสนาฬิกานะคะตำรวจประมาณ3นายออกมาดูที่ศาลพ่อปู่เพราะคิดว่าน่าจะมีความผิดปกติกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อไปดูก็พบว่ามีดอกบานชื่นสีแดงประมาณ10บดอกบูชาอยู่จริงค่ะ ตำรวจนายนึงบอกว่าตอนนั้นผมขนลุกขึ้นมาทันทีเพราะไม่คิดว่าสิ่งที่กล่าวขานกันมานานจะเป็นความจริงจนได้ตำรวจคนที่พูดเนี่ยก็ถกแขนเสื้อให้ดูนะคะถึงขนที่กําลังลุกเมื่อถึงนึกถึงเหตุการณ์ในตอนนั้นแม้ว่าจะมีการเขียนป้ายเตือนแล้วก็ตามค่ะแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ทราบมาสักการะบูชาอีกเป็นจํานวนมากแล้วก็มักจะเกิดเรื่องทุกทีโดยเมื่อ2ปีก่อนตรงบริเวณที่เขาอาศัยอยู่ก็เป็นตึกแถว3ามชั้น วันนึงมีครอบครัวนึงจัดงานเลี้ยงค่ะดื่มเหล้ากันเมาไม้เลยแหละกําลังสนุกสนานตอนนั้นชาวบ้านคนนี้ก็ไปร่วมงานด้วยก็บอกค่ะ บ, บอกว่ากูนี่แหละศักดิ์สิทธิ์กว่าพ่อปู่ชาวบ้านคนหนึ่งที่เมาก็พูดดูถูกพ่อปู่ดอกไม้ดงดอกไม้แดงที่ไหนมันจะมาฆ่าคนเขาก็พูดพร้อมกับหยิบดอกกุหลาบช่อหนึ่งชูขึ้นเดี๋ยวกูจะเอาไปถวายพ่อปู่แล้วดูนะจะมีอะไรเกิดขึ้นพวกมึงนะ่ะอย่า ง, งมงายกันไปเอง ชายคนนั้นพูดพร้อมกับลุกเดินไปยังศาลพ่อปู่พร้อมกับถือดอกกุหลาบแดงช่อนั้นไปด้วยนะคะผู้หญิงคนนึงก็บอกว่านี่มึงจะบ้าหรือไงเดี๋ยวก็ซวยกันหมดหรอกแต่ไม่ทันค่ะที่ผู้ชายคนนั้นเขาก็เดินไปถึงศาลละจุดทูปบูชาพ่อปู่ด้วยดอกกุหลาบสีแดงไปแล้วเรียบร้อยเขากลับมาที่บ้านค่ะแต่ว่าก็ไม่เกิดความผิดปกติอะไรนะจนใครๆก็ต่างเลิกคิดว่าอาถรนดอกไม้แดงนี่มีอยู่จริงทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปนอนเพราะว่ามันเกือบเที่ยงคืนแล้วแต่ว่า ทุกคนก็ตั้งตื่นขึ้นมากลางดึกค่ะเวลาประมาณตีสองมีไฟสีแดงลุกโชนขึ้นตรงตึกแถวสามชั้นแห่งนั้นเพลิงไหม้ค่ะเผาทุกห้องราวกับว่าพ่อปู่นี่กำลังโกรธมากเพราะว่านอกจากจะไม่เชื่อแล้วก็ยังลบหลู่ดูถูกท่านอีกชาวบ้านต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวบอกว่าน่าจะมาจากสาเหตุนี้แน่นอนไฟไหม้ครั้งนั้นมีคนเสียชีวิตทั้งหมด7คนนะคะ1ในนั้นเป็นชายที่เอาดอกกุหลาบสีแดงไปสักกระด้วย ความสูญเสียดังกล่าวทำให้อันดอกไม้แดงดูจัตวีความรุนแรงขึ้นและน้อยคนนักที่จะกล้าลองดีทุกวันนี้ฉันจะบอกกับคนที่มาไหว้พ่อปู่ว่าท่านไม่ชอบดอกไม้สีแดงเอามากๆอย่าเอามาไหว้เด็ดขาดแม่ค้าดอกไม้ที่สารพ่อปู่พูดนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่เวลามาไหว้พ่อปู่เนี่ยเขาจะใช้ดอกไม้สีขาวหรือว่าสีเหลืองอย่างเช่นดอกดาวเรืองแทนเพราะว่าจะไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นนะคะ เคยได้ยินตำนานบางตำนานเกี่ยวกับพ่อปู่มาจากคนเท่าคนแก่เหมือนกันมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งพูดเขาบอกว่าที่พ่อปู่ไม่ชอบมีตำนานบอกว่าพ่อปู่เคยผิดหวังกับความรักมาก่อนและไม่ชอบดอกไม้สีแดงที่คนอื่นคิดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักบางคนก็บอกว่าพ่อปู่เนี่ยมักจะถูกผู้ที่คิดจะกลั่นแกล้งเอาดอกไม้แดงมาทัดหูบ้างแต่งตัวให้บ้างก็เลยจําฝังใจค่ะ แต่ก็ดูเหมือนตำนานต่างๆจะได้สาระไปบ้างนะคะคุณผู้ฟังแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดก็ตามที่ทำให้พ่อปู่ไม่ชอบดอกไม้สีแดงแต่ว่าอาถรรพ์ดอกไม้แดงก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและจะยังคงอยู่ในความเชื่อและความศรัทธาของคนในสังคมตลอดไปค่ะ